ยี่สนิทัศนะตึกะ2 0่สถึงห้สัญโยชนะทุกกะเป็นต้นร้อเจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยจย่ยอให้ตปปจจุปัจจัยมีหกวาร ะ, ะอารมณปัจจัยมีสาวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหวาระ ร้อสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นโยคะ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม Stone, ่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระร้อยเก้าสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระร้อยสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นปรามาตยอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีหกวาระย2สิบสสนิทสนตุกะห้าสิบห้าสารมณทุกะร้อสอสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้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 ห้าสิบหกจิตตะทุกะร้อยสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัศนะเดกะหั้าสิบเจตสิกะทุกกะหัสร้อยสบสาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ 22. สนิทัสนตุกะห้าิบแจิตตสัมปยุตตทุกะร้อสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิต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 อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงพวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองชนิทัศนะตือกะห้าสิบเ้าจิตตสังสัทธทุกะร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งระคนกับจิตเปิดขึ้ื่นพระเหตุถูปัจจัย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 อธทิตติปัจจใจมีหกวาระละถึงอัญญมัญญปัจจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิดทัศนตึกกะหกสิบจิตตะสมุทฐานนทุกะร้อยสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐาน เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระธรรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทสนะตือกะหกสิบเอด็ดจิตตะสหภูทุกะร้อยสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยีสิบสสนิทัสนตุกะหกสองจิตตานุปริวัติทุกะร้อยสิบปสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิต สาศัาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระย2่ 22, สิทสัญนะเตระหกสิบาถึงหกสห้าจิตตสังจัต ถ, ถสมุทฐานทุกะเป็นต้นร้อยสเก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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่รักพงกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรักพงกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีหกวาระร้อยี่สิเอ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหกวาร ะ, ราาร ะ, ะอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสอง สนิทัศนะติกะหกสิบหกอัจฉริติกะทุกกะร้อยี่สิบสองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แลิกกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แลิกกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายในโปรดเคลื่นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้แลิกกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แลิกกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายในโปรดเคลื่นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุจจหตุปัจจยัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอก อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระยี่สิบสองสัิทัสนะิกะหกสิบเจ็ดอุปาทาทุกกะร้อยยี่สิบสามสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูป อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหกวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบดวาระ2 2สนิทัสนะตุกะ 68. ห8สิอุปาทินาทุกะร้อยี่สิบสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออ า, าศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมีหกวาระนิจยปัจจัยมีหกวาระกรรมปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีหกวาระ อาหารปัจจัยมีหกวาระอินตรียปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจัยมีหกวาระมัคคะปัจจัยมีหกวาระวิปิวตตปัจจัยมีหกวาระอภิปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระร้อยี่สิห้าสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งกลัมอันประกรอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอรมณปัจจัยยอ่ออรมณปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระอุปะนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีหกวาร ะ, ร ะ, จจาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถปัจจัยมีสามวาระ วิคตะปัจจัยมีสามวาระอะวิคตะปัจจัยมีกลาววาระที่สิบสองสนิททัศนะเดกระหกสิบเก้าถึงแปดสิบสองอุปาทานาทุกกะเป็นต้นร้อยยี่สิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อ เหตุ S <S <t> <ate> ปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระร้อยี่สิบเจ็สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้หรือกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้หรือกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุ <t> <ate> ปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทนัศนะดึกกะแปดสิบสามทัศเนะประหาตัพทุกกะร้อยยี่สิบแปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปั จ, จัยมีหกวาระ อธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา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 อวิคตตปั จ, จัจมีสามวาระยี่สิบสองสนิทสนะเตึกะแปดสิบสี่ภาวนายะปะหาตาพาทุกะร้อยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเปิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย่ยอเหตุ ป, ปั จ, จัยมีหกวาระ อธิปฏิ ป, ปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสอง ชนิทัศณะตุกะแปดสิบห้าทัศเนนะปะหาตัภะเหตุกะทุกกะร้อยสามสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใ จ, จยย่อเฮตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองชนิทัสนะตืกะแปดสิบหก ภาวนายะปหาตภะเถระทุกะร้อยสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหกวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเปิดขึ้ื่นพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิสองสนิทัสนตุกะแปสิบเจดสวิตตะกะทุกกะ ร้อสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได wow ้กระทบได้ <iage Lynn. S 1> <Hyper S 2> และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีขกวาระร้อยสามสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตก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 ซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยี่สิสองสนิทัสนตุกะแปสิบปสวิจาระทุกะร้อยสาสิบสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีวิจาร เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจัจมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์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 อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยีส่สิบสองสัญทัศนติกะเก้าสิบปีติสหคตะทุกกะร้อยสามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติ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 อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้หรือกระทบไม่ได้ซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้หรือกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้หรือกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติ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 ร้อสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สะหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่สะหรคต ด, ด้วยสุข อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สรัระคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยีส่สิบสองสัญญาชนะติกะเก้าสิบสองอุเบขาสหาคตาทุกะร้อยสามสิบปดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ฉัระคดดอุเบขา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 อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรรคโตอเบคาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอ ร, รมณะปัจจัยมีสามวาระละถึง อ, อวิคตาปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่โสหรรคโตอเบคาอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สโสหรคโตอเบคา เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 22. สิสนิททัศนตะกะ9กามกามาวจรทุกกะร้อสาสิาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลือกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาสัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เลือกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกลามาวจร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 ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ 22. สนิทัสนะติกะ94รูปาวจรทุกะ 140. ร้อสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นโรปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโรปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปราวจรอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิดทัศนตุกกะเก้าสบห้าอรูปาวจรทุกกะร้อยสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 22. สชนิทนัศนติกะ9กปริยาปนณทุกกะร้อสีสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่นับหนึ่งในวัตทุกขอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในวัตทุ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทัสนะถูกะเก้าสิบเจ็ดนิยานิกะทุกะร้อยสี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุนําออกจากเวตะทุกข์หาสัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุนําออกจากเวตาทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ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 ชนิทัสนะตุกะ98นิยตตุกกะ144สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดเึิ่มเพราะเหตุปัจใจ ย, ย่อเหตุปัจใจมีหกวาระอธิปฏิปัจใจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระยี่สิบสองสนิทัศนะเดกกะหนึ่งรสารณะทุกกะ 100, ร้อยสี่สิบหกสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้เลือกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระชาชะตะวาระละถึงสัมยุญตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระร้อยสี่สิเจ็สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ โดยรมณปัจจัยย่อระมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมานันตระปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ พึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจินิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละตะกะที่นับไว้แล้วทำมานุโลมมปัจจนิยะตะกะทุกะปัฐานจบ